ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผูกฟังทั้งหลายฉ่งทำจากมาวิทยาลัยศรีปรทุมกำลังนำเสนอพระสูตรที่เชื่อว่าวัตถุประมาสูตรคือสูตรที่อุปมาด้วยผ้าเป็นการรับสั่งถึงเรื่องจิตใจของบุคคลที่เรียกว่าใช้งานได้กับใช้งานไม่ได้ โดยเทียบเคียงกับการย้อมผ้าว่าผ้าที่ไม่เรียบร้อยคือสกปรกด้า น, นต่างๆ เ, เวลาช่างย้อมเอาไปย้อมในสีจะติดไม่ได้ทั่วถึงกันแล้วก็สีก็ไม่สวยงามปัญจจิตใจของบุคคลทหากว่ายังมีอุปกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นและทำจิตใจให้ขุนหมัวซ้ม อ, อง อุปรอุปกิเลสคือกิเลส ท, ที่เข้าไปเข้าไปครอบนำจิตมันเป็นอาการของจิตที่อยู่ข้างในหรือถ้าเราเชียบทุจริตก็คือมโนทุจริตจิตใจจะคุณมัวเศ้าหมองไปจริงๆมันก็เป็นอาการของโลภะทุศมาโมหะ เธอทรงแสดงโดยประยายที่ขยายออกไปเป็น16ข้อลยกันอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าลูกกรพิสูตต่างหลายจิตนี้ประพัดสอนคือเรื่องแสงแต่จิตนี้เศรามองไปพระอุปกิเลส ท, ที่จอมาป็นอุปกิเลส ท, ที่กล่าวไว้ในวันก่อนเนี่ยคืออภิชาวิสมะโลภเป็นความละโมบ โดยไม่สม่ำเสมอคืออยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้ น, น้นมันบุ้นไปหมดแล้วก็พยาบาทคือจิตใจที่ปองร้ายด้วยความอาฆาตมาร้ายต่อบุคคลอื่นรเราเห็นว่าอภิชาก็คือโรคที่มันค่อนข้างแรงแต่ว่าไม่ถึงกับออกข้างนอกอา จ, จะใช้ตาฟังใช้หูเงี่ยวหูฟัง ใช้ตาดูเงีย่ยหูฟังแต่ยังไม่ถึงกับไปทำทุจริตอะไรทีนี้พอพยาบาทมันก็เหมือนกันคือจิตคิดพยาบาทมุ่งความพิบัติเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นแต่ยังไม่ถึงกับพูดกระทำออกไปโกรธทาความโกรธอุปนาหาความผูกโกรธเอาไว้คือเจ็บใจแล้วก็มะขะ คือเราลูกดูหมิ่นคุณของท่านภาษาคือตีเสมออิสาคือความรทิ์ศยาคือรแปลบาลีเป็นเป็นสันตฤตริษยานเป็นสันตกฤตแต่ว่าอิสาเนี่ยอิสสาเนี่ยเป็นภาษาบาลีแต่คนทั่วไปมักจะพูดว่าอิจฉาอิสาที่จริงมันเป็นโลภะ มันเป็นความโลภอยากได้เป็นความปรารถนาที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอิฉาโลภสมาปนโนสมโนกิงบวิสตินบุนคคลที่มากด้วยความปรารถนาแล้วก็หนักไปในทางโลภจัดมันเป็นผู้สงบได้ยังไงคือเป็นสมณะได้ยังไงเพราะสมณะเนี่ยแปลว่าสงบ สงบกายสงบวาจาสงบใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายต่านพิสรงแสแดงไว้โดยสรุปในอวตาทปาติโมกนะเราจะเห็นว่าสงชา้คำว่าในหิปปะจิโตปรุปกาติสัมโนโหติปรังเวทตยันโตผู้ขาสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบันปะชิตสมณะเพราะนันเป็น เป็นบุคคลระดับอุดมาการณ์พุทธบริษัทเนี่ยที่จริงก็มีธรรมะที่ส่งแสดงสั่งสอนเป็นลำดับขั้นตอนเข้าไปสู่ความเป็นอุดมาการณ์ในแตะจุดของความเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิการะดับระดับศีลธรรมจัญญานี่มันก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งคือระดับศีลระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญา ตมากาสมาธิก็มารวมกันก็พูดง่ายว่ามันพัฒนาการจากหลักของศีลสมาธิปัญดาขึ้นไปพวกนี้มันไม่ได้สมาธิเพราะว่าจิตมันไม่สงบแต่ไม่ถึงก็ผิดศีลนะฮะไม่ถึงก็ผิดศีลเพราะเขาไม่ออกมาจากข้างนอกดิษาเป็นกิเลสประเภทโลภโทสะแล้วก็โมหะ ซึ่งหมายความว่ามันเกิดโทสะในตัวผู้ได้สิ่งที่ดีทั้งหลายหลับยอสันเสริญ ส, สุดเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็โลภะในสิ่งที่คนนั้นก็ได้บี้คนที่ได้เราไม่ชอบเราก็เกิดริษย า, าแสดงมีโมหะอยู่ภายในใจมันมีเหตุผลไม่เคารพเหตุผลเขาเขาประกอบเหตุมาเขาก็ได้ตามสมควรแก่เหตุของเขา คือในกรณีนี้ถ้าเรามุทิตาไม่ได้เนี่ยให้อุเบกขาอันนี้ไม่เอาต้งสองอย่างเลยก็ตกกระวิส่กระแสของอิ ส, สาคือความริษยามัจริยาคือความสนีอาจจะเกิดขึ้นจากโลภะในสิ่งที่เราครอบครองเป็นเข้าเจ้ า, จาของอยู่หรืออาจจะเกิดจากโทสะในตัวผู้ที่เราสนีคือไม่ยอมให้คนเราเนี่ย ไม่ไม่ยอมเฉลี่ยแบ่งปันให้แก่คนรดนี้เพราะสิ่งที่รรมจันทรีนี่อาจจะเป็นผลประโยชน์อาจจะเป็นสถานที่อยู่อาศัยแต่อาจจะเป็นเชื้อสายสกูลแล้วก็ จ, จะเป็นวัช น, นะคือผิวพันธุ์หรือว่าความดีแล้วก็ธรรมะคือพวกความรู้หรือคุณธรรมทั้งหลายเนี่ย โดยเจนว่ามันมันปิดกัน้นพวกทานไว้หมดเลยทานอวัตถุ ก, ก็ให้ไม่ได้อาพยธทานก็ให้ไม่ได้แล้วก็ธรรมทานก็ให้ไม่ได้มันไม่หักมุมออกไปไ่สู่กระแสของอกุศลประการต่อไปก็คือมามายาหรือมารายาเป็นลักษณะเจ้าเล่สเสแสง เธอคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าเธอทํามาอย่างหนึ่งแต่พูดออกมาอย่างหนึ่งนะอย่างคติไทยทีย่ว่ามือถือสาปากือศีนปากหวานก้นเปรี้ยวซ่อนดาบในรอยยิ้มอะไรพวกนี้ยในคำภีวุฒิษนานี้มีมีเรื่องเหล่านี้ไว้เยอะมากเพราะว่าคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากในในเปสกะ กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ยมันตรงมันเข้าใจง่ายแต่ว่ามนุษย์มันเข้าใจยากมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่คิดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้โลกนี้ กล่าวไว้นะฮะมาสมุดสุดดึกล้นขนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอัดวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้น้ายยากแท้อย่างถึงอย่างดะยากเขาจะยากรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจบันทีแกยิ้มนะแต่แกคิดยังไงก็ไม่รู้ เหมือนคนเราคนหนึ่งเนี่ยได้คนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นกันลยาณมิตรสักคนนี่มันบุญมากอะ่ะคือบางทีแม้แต่คู่สามีพันยาก็เอาไมา่อยู่ลักษณะของมายาเนี่ยท่าเล่าถึงชิ้นนิทานแพร่หลายก็คือเรื่องเสือจำศีนกอย่างจำศีน เ, เด็กๆก็รู้กัน แต่ในแวดวงพระเนี่ยเขาเขาจะพูดถึงฤาษีฤาษีที่ต้องการจะกินเฮียเขาเรียกว่าฤาษีกินเฮียหรือว่าฤาษีตัวหนึ่งเนี่ยคนอดซั์ไปฝากท่านไว้เมื่อก่อนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าซับมันไม่มากเลยไปคดหลงฝังไว้ใตก้กุฏิกุฏิของท่าน ก็เห็นว่ามันจะปลอดภัยแล้วก็โยมคนนั้นก็เป็นโยมประทักแต่พอเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านเกิดโลคเห็นทุกครั้งที่เขาไปเอาไปฝังเนี่ยมันมันเงิ น, ม, น, งนมันเยอะขึ้นมันเกิดโลค ก, ก็อยากได้เสียความปบริษีเลยทีนี้พอพออยากได้เนี่ยมันก็ทํำเบงเคร่งมากยิ่งขึ้นเพราะหนึ่งพระโพธิสัตว์ท่านนั่งอยู่ด้วย แต่ว่าเป็นชาดกอีกชาติก่อนๆนะฮะไม่ใช่ชาติปัจจุบันท่านรับอาหารที่บ้านในพรานแล้วไปย้อนกลับมาใหม่ในพรานถามว่าพระคุณเจ้ากลับมาทำไมบอกว่าตอนที่ลอดหลังคาบ้านไปเนี่ยมันมีเศษของแฝกใบไม้อะ ท, ที่มุงหลังคาบ้านเนี่ย มันติดติดชดาไปกลัวจะเป็นอันธนาทานเลยเอามาคืนอันนี้มากไปหน่อยนะฮะคือตรงตรงเนี้ยวันก่อนเนี่ยมีมาตอบปัญหาเมื่อวันจัน์นิโยไมไ่ถามปัญหาข้อหนึ่งคือไปถามว่าการที่นางธรณีบีบมวยผม แล้วก็เพื่อขัดขวางพยามารไม่ให้ปาประจุนพระพุทธเจ้าเนี่ยพรณีเป็นบาปไหมใี่รเราเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันเป็นเรื่องมายาคือว่าเสนามานทั้งหลายเนี่ยวสวัตติมาณก็เนรมิตขึ้นมันเป็นภาพมายามันมฆ่าไม่ตายอยู่แล้วแต่ว่าเราเกณฑ์ที่เรากำหนดเนี่ย ข้อความตรงนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะมีระดับอัตถกาถาหนังสือตอนหลังแต่ว่าเจตนาของนางนั้นก็คือปกป้องแล้วที่จริงไม่ได้เจตนาถึงก็ปกป้องเพียงแต่ว่าเป็นพยานในการศัตรู ข, ของพระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นจากบา ร, รมีธรรมที่พระองค์ทรงทาความดีแล้วก็กรวดน้ำมุทิตส่วนกุศลเอาไว้เนี่ย แล้วก็ น, น้ําเหล่านั้นเน่ะกนางก็เก็บรักษาไว้พี่เราจะเห็นว่าดูเรื่องแล้วมันมีลักษณะของเทพเจ้าเทพเจ้าของอินเดียคล้ายๆกับพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทพธิดาเนี่ยไปเอาน้ําเก็บไว้ที่มวยผมตัวเองทาให้โลกเกิดแห้งแล้งคานิตาอินเดียมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนั่นแหละเพราะเราจะเห็นว่า สมมุตินะสมมุติเราพวกนี้มีชีวิตองค์ก็ปนานาติบาสสิ่งนั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตตั้งจิตคิดแต่ฆ่าทําความพยาฆ่าสัตว์ตาด้วยความพยามันไม่มีสักองค์หนึ่งฮะองค์ประกอบของความเป็นปนานาติบาสไม่มีสักองค์หนึ่งนะเพราะไม่มีใครตายแตาองคก็มีชีวิตไหมก็มีชีวิตแต่จริงมันมีชีวิตเฉพาะตัว ว, วัตสตรีมานฮะนอกนั้นมันเป็นมายาเป็นมายาที่สร้างขึ้นเขาเรียกเนระมิดขึ้น ใน ต, ตัวเองการ น, นิรมิตแขนเป็นพันอะไรอะไรเนี่ยจะสรุปว่าเป็นเรื่องของภาพนิรมิตเฉยๆคือเกณฑ์เหล่านี้ที่จริงมันเป็นมาตรวัดเป็นมาตรวัดการกระทําของคนตอนในในกรณีนี้ก็ถือไม่ได้เจตนาที่จะให้เศษใบไม้เศษหญ้าเนี่ยมันติดฉดาไปมันไม่ได้เจตนาจะขมโมย แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ถึงกับเจ้าของหัวงแหนหรอกหรือมันร่วงมันหล่นไปเป็นปกติธรรมดามันดังนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเห็นแล้วท่านบอกมันใกล้ๆมันเวอ่อไปแล้วสอบถามว่าคุณเอาอะไรไปฝากดาบดไว้บ้างนายพรานก็บอกว่าทรัพย์สินที่เข้าไปจ้าหนึ่งฝากที่ดาบดทั้งนั้นพระโพธิสัตว์บอกถ้าอย่างนั้นรีบไป แต่แสดงว่าคิดไม่ซื้อแล้วมันมันมันมันมารยาเนี่ยมันชัดเกินไปเคร่งมากเกินไปในสุดพอไปจริงๆก็ปรากฏว่ากำลังขุดอยู่ฮะแต่ยังยังยังเอาขึ้นมาไม่ได้นี่คือแสดงให้เห็นในลักษณะของมารยาเนี่ยแต่ว่ามารยาตรงนี้อยู่ภายในใจนะฮะไม่ได้ออกมาไม่ออกมาทางทางการกระทําเรามาหนะ้าความเอ่อ สาทยัคือโอวดโอวดเป็นการเชิดชูตัวเองนะฮะประชาสัมพันธ์ตัวเองเพราะนั้นก็มีคาถามเหมือนกันว่าพระหานี่ยังมีจริงหรือเปล่าในโลกเนี่ยจริงๆก็มีนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าพระหรันกำลังเทศอยู่ที่สถานีวิทยุอะไรทุกคืนแล้วก็บอกว่า ถ้าเป็นพระหรันนี่กิเลสมันหมดทีนี้การโอโวดจะเป็นอาการของกิเลสอาการของกิเลสเนี่ยประเภทอุปกิเลสเนี่ยก็แสดงว่าถ้าท่านโอวดก็หมายความว่าท่านไม่เป็นพระหรันถ้าเป็นพระหรันก็ไม่โอวดในเกณฑ์กำหนดมันก็ตัดสิงอย่างเงี้ย แคร์ก็คุณเป็นสมาธิคุณต้องไม่โลภถ้าคุณยังโลภคุณก็ต้องไม่เป็นไม่มีสมาธิเพราะมันมันไม่อยู่ด้วยกันการโอ้อวดก็ต้องการจะประชาสัมพันธ์ตัวเองเชิดชูตัวเองนะฮะให้เป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายแล้วจะเห็นว่ามันคืออาการของโลภะคือความโลภต้องการรับการยอมรับนับถือยกย่องชื่นชมของคนทั้งหลาย แล้วก็ต่อไปก็ทํำผ้าคือหัวดือ้อทำผ้าจริงที่เราไปว่าเสานะฮะอตูสดมที่เราไปว่าเสาดืดึงดื้านดืดัดนมันเป็นปัญหาใหญ่นะ ค, ะคนหัวดื้อเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่จะยกตัวอย่างเช่นพระชนะเนี่ยพระชนะซึ่งเป็นอาํามตะติดตามสเสด็จพระพุทธเจ้าก็ค่อนข้างเป็นพระสาหาย เราว่าเป็นสาชาติกันท่านก็ดื้อหน้าดูนะกับคนอื่นเนี่ยท่านไม่ยอมเลยนอกจากพระพุทธเจ้าไอ้ตัวตัวดื้อตัวเนี้ยมันทวงท่านเอาไว้เพื่อนก็ไปนิพผานกันหมดแล้วตัวเองไม่ไปอะ่ะเพราะในเครือสาชาติของพระพุทธเจ้ามากรันตะกะเนี่ยบังเกิดเป็นเทพบระวุฒิเป็นกันตะกะเทพประวุฒิอ่ะขุมทองทั้งสีทิศก็อันตรทานไป นอกนั้นพระนางยโสธาราการุทายีแล้วก็พระานุนนะฮะก็แต่ละคนนี่ยบรรุมกผลเป็นเป็นพระหานหมดแต่จริงจรงออมันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นต้นโพแต่ต้นหนึ่งด้วยนะเป็นต้นโพ แล้วก็เป็นคุ้มทองแล้วก็เป็นมา้าคือสรุปว่าที่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีแค่สี่แต่นั่นเองก็คือการลุทายยีอามาตเมื่อก็นายฉันนะแล้วก็ น, น, นะวกนางพิมพาแล้วก็พระอานนท์คนหนึ่งเขาบรรลุหมดฮะยังเหลือท่านคนเดียวพเพราะดือ้อ กว่าจะบรรลุผลได้ยัตต้องไปสิบกว่าแล้วแต่ทา่านก็ก็มีบา ร, รมีนะเพียงแต่ว่ามันเกิดดื้อขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าอาการโอ้อวดมันก็มีนะบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นบรรลุญาณของข้าพเจ้า พระธรรมก็เป็นสิ่งที่พระลูกเจ้าของข้าพเจ้าไรตัทรู้มานะก็สั่งสอนคนอื่นเป็นใครเลตอนที่พระลูกเจ้าเสด็จออกผนวดเราก็ตามเสด็จอยู่คนเดียวก็นึนมาทีหลังแค่นั้นมันเหมือนกับเศษสะบะลอยน้ํามาติดทิมตะลิงเนะี่ยท่านพูดแรงอ น, นี้ก็จะเห็นว่ามันมันมั น, ม, นมันมีอาการของกิเลสอยู่เยอะถ้ากลายเป็นปนัญหาประสัค สารำพะคือแข่งดนะีแข่งดีไม่ใช่แข่งกันทําความดีนะแข่งในลักษณะที่ต้องการศบประมาทดูถูกดูหมินถ้าแข่งกันทำความดีเนี่ยมันเป็นบุริยะนะเป็นสติเป็นสมัยฉัญยะอย่างดีในที่นี้ต้องการจะดูหมินจีดกันขัดขวางไม่ก็ดื่นก็ดีก็ เ, เด่นก็ดังมาน้ความถือตัว อาจจะเป็นการเชิดชูตัวเหนือคนอื่นหรือว่าเป็นการตีเสมอคนอื่นหรือเป็นการดูหมิ่นคนอื่นหรือเป็นการดูหมิ่นตัวเองในพระบาลีนีิทรงกระจายไปเป็นมารณ์เประการก็เอาตัวเองเป็นศูนย์แล้วก็ยกไปเทียบเคียงกับบุคคลอื่นแต่ในความสำคัญแกตัวเองว่าเลิศ ก, กว่าเขาก็อาจจะมองว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาเราเสมอเขาเร า, เราเราเร็วกว่าเขาหรือว่า เพือนเสมอเขาแต่ไปคิดว่าเลิวกว่าเขาเสมอเขาเร็วกว่าเขาหรือว่าตัวเร็วกว่าเขาแต่คิดว่าเลิวกว่าเขาเสมอเขาแล้วก็เร็วกว่าเขาแต่อย่างมันเป็นมานะเพราะว่ามันเป็นอาการจิตมันกระด้างให้เราสังเกตนะฮว่าเช่นสมมติเราคนนี้เขดีเขเด่นเขดังอ่ะเราเราคิดเราสู้ก็ไม่ได้แต่เราก็มีความรู้สึกต่อเขาด้วยจิตที่กระด้าง ก็ไม่พอใจอะแต่ว่าสู้ก็ไม่ได้มานะเป็นวิเลตที่ลึกคือคนที่ละมานะได้เนี่ยต้องโน่นอะพระอาหารหันเลยแต่มีมานะอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ไม่ไม่ได้พูดไว้นะฮะคือเรียกอาชีพมานะเป็นเรื่องของท่านที่บำเพ็ญเพียรทางจิตมาแล้วก็เข้าใจผิดวรรบรรลุ แต่ท่านก็อาจจะบอกแก่เพื่อนสัพพมาจารีด้วยกันซึ่งวินัยก็ไม่ห้ามนะฮะถ้าบอกแก่พระทิพระด้วยกันกน็ไม่ถือว่าท่านเป็นอาบัติเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดซึ่งก็มีได้นะฮมีได้เพราะว่าภายในจิตในกระบวนการตรงเนี้ยมันลวงเยอะ เส้นทางของจิตที่เดินก็สู่กระแสของความสงบจนถึงวิปัสนาเราเจนผ้าหลวงตามันเนี่ยคือถ้าไม่หนักแน่นจริงๆนี่หลงๆลได้ง่ายคนระับเพราะแนววิปัสนาอปกิเลสคืออุปกิเลสของวิปัสนาเนี่ยมันดีๆทั้งนั้นเลยนะเป็นกุศลธรรมทั้งนั้นแปลว่าเป็นอุปกิเลสของวิปัสนาเพราะอท่านเห็นท่านก็ติดได้ท่านก็หลงได้ มาท่าก็คือมัวเมาเมาในรูปเมาในเสียงเมาในกลิ่นเมาในรถเมาในอะไรต่างๆเยอะแยะนี่ยแล้วแต่จะเมาที่เขาพูดว่าเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่อะไรต่างๆก็เมาได้เท่านั้นประมาทกคือประมาทประมาทเนี่ยคือขาดสติเปลนการเล่นเล้อเผลอเพลินเผลอเรอหลงลืมเลอะเลือน เขาเรียกว่าจิตมันมันมันกรื่สติสัมโมสาคือหลงลืมเลอะเลอะเลอือนบังขาดสติก็งนอ้เป็นเป็นธรรมะธรรมะที่ใหญ่มากเพราะว่าบางทีทรงอุปมาว่าทมทั้งปวงเนี่ยรวมลงที่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทได้จะเป็นยอดของทมทั้งหลาย มันรอยเท้าของสัตว์ต่างหลายเนี่ยรวมลงที่รอยเท้าช้างคือเหยียบรอยเท้าช้างไม่มิดสักตัวเน่ยเพราะฉะนั้นทํากุศลแลรทำทั้งปวงนะฮะสังขตรธรรมที่ทำที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงเนี่ยรวมลงที่ความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นทรงจะแสดงไว้สามชุดใหญ่ๆอ่ะที่เราจะเจออยู่สามชุดใหญ่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรค ไล้ประมาทในการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาใจแล้วก็ไม่ประพฤติสุดจริตทางกายทางวาจาใจและประมาทในการทํามีเพราะมีความเห็นผิดไม่ยอมทำความผิดนั้ถูกต้องหรื อ, อย่างหนึ่งเป็นการรักษาจิตโดยสติไอ้ตัวสติก็กคือตัวไม่ประมาทอย่แล้ ระังจิตอย่าให้กำหนัดอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้รุ่มหลงอย่าให้มัวเมาซึ่งหมายความถ้าจิตมันเกิดเกิดวูบขึ้นมาเกิดกำหนัดวูบขึ้นมากัดเคืองวูบขึ้นมาเนี่ยรุ่มหลงวูบขึ้นมาก็ถือว่าประมาทในขณะนั้นทีนี้ความประมาทในลักษณะเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันคล้ายๆจะไม่เป็นอะไรแต่ลองสังเกตอุบัติเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเป็นขณะ มันเป็นวินาทีนะฮะอาจจะไม่ถึงนาทีเลยซ้ำไปแผ่นดินไหวเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นนาทีนะรรถเกิดอุบัติเหตุรถชนกันรถตกถนนรถไฟชนกันอะไรแต่อะไรมันมันก็เป็นวินาทีเท่านัน้นแสดงว่าการฝึกจิตจริงๆเนี่ยแม้ประมาทเพียงวูปเดียวเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์บางสถานการเนี่ย นั้นเกิดอันตรายขึ้นมาได้ทีนี้จากนั้นก็รับสั่งแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นรู้ชัดว่าพระสงยกมาหมดนะทั้งทั้งทั้งสิบหกข้อของขอ ง, ของจิตด้วยประการชนี้แล้วย่อมละ อภิชาความเพ่งเด่งโลภอยากได้โลภะความโลภพยาบาทความพยาบาทความโกรธความผูกโกรธการดูหมิ่นคนอื่นการตีเสมอความริษยาความเจนีมายาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข่งดีความมานะความดูหมิ่นคนอื่นความมัวเมาแล้วก็ความประมาทอันเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของคุณ หมาความว่าคนต้องพิจารณาเห็นทวคือยังนึกเนยะมันก่อนไปไปที่เชียงใหม่ดี่เขากำลังนั่นกันนะ่ะกำลังน้ำท่วมเสร็จใหม่ๆหม่กำลังล้างถนนกันอนยะู่ก็ปรากฏว่าฟางหมาวิยไลที่เขานิวนไปเนี่ยเขาเช่าโรงแรมที่ริ่งปิงไว้แล้วเกิดกน้ำหลากเสียหายหมดเลยกันย่า คือเราเห็นแล้วเราเรารู้สึกสลดอ่ะพราะทำไมคนเหล่านี้เห็นแก่ตัวมากเแม่น้ำเนี่ยเป็นสาธารณสถานนะฮะเป็นสมบัติต้องแผ่นดินแต่คนเหล่านี้ปลูกปลูกอาคารลุกล้ำแม่น้ำเข้าไปเยอะเลยไม่ปิ่งในหลายแห่งแล้วก็ที่จริงมันก็เป็นบทเรียนแต่ความโลภเนี่ยมันปิดบังเหตุผลสติปัญญามนุษย์หมดเพลิไม่ได้อ่ะ แล้วเราเห็นว่ากระบวนการตรงนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดินเขาแย่คือยังนึกถึงว่างานของราชการเนี่ยมันน่าจะพิจารณาทบทวนให้ประชาชนในท้องถิ่นตรงนั้นและมีส่วนรับรู้อยู่ด้วยมีส่วนรับผิดชอบด้วยเราไม่ต้องจ้างเขาหรอกแต่ให้เกียรติเขาอะ การดูแลรักษาป่ารักษาแม่น้ำลำทานต้นน้ำลำทานเรื่ออะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ อ, อย่างหนึ่งของประชาชนที่ช่วยดูแลมันก็อย่างน้อยก็ค า, านคานกันคือว่าไม่ใช่ว่าธุระไม่ใช่อหูปนาตาไปนาก็แย่เพราะอาการอุปกิเหตเหล่นี้พอแก่ เพิ่มปริมาณขึ้นมาแล้วก็ยุ่งมากดจนวนสงครามได้นะแต่ละครพยาบาทก็จุดสงครามได้กรอมโกรธก็สงครามได้ความโลภ ก, ก็สงครามได้ความถือตัวนี่ก็สงครามได้เพราะันถ้าเราดูไว้ดีแล้วนี่ว่าความรุนแรงทั้งหลายในโลกที่เกิดขึ้น เพราะสาวไปถึงเนี่ยมันมาจากกิเลสต่กิเเมื่อตอนกลางเดือนเนี่เขาอนิมนต์ไปบรรยายทางวิชาการแก่ครูบาอาจารย์จากสถาบานาาันการศึกษาต่างการประยุกตธรรมะมาสอนโยชน์บาย ปรากฏว่าพูดไปเกือบเกือบเชี่ยงไงนะก็ต้องรีดหยุดเพื่อฉันเทมคนฟคังเขายังไม่อยากให้หยุดเขาบอกเขาไม่เคยได้ยินความคิดตัวนี้มีศาสตราจารย์ทางศาสนาท่านเองท่า น, านชื่อชมมากหรือตอนจันข้าวยังตามไปแสดงความชื่นชมอีกก็เราจะเห็นว่าเออพอพูดอย่างนี้เขาเข้าใจนะ เอาใจพูดแบบง่ายๆโดยว่าธรรมดาธรรมดาให้ดูธรรมะในวิถีชีวิตแล้วก็ดูรอยตัวอย่างอะไรต่อะไรดูก่อนเห็นะว่าพระนเรศวนทำสงครามด้วยธรรมาน้องคิดธรรมะอรสงครามโลกอะไรรา่าอะไมันเกิดจากสมุทัยอะไรเอวโต๊ะคือก็ไม่กล่ามาให้เขาคิดเพราะว่าการจะพูดกับเด็กเนี่ยต้องให้เด็กคิด ถามให้เกดคิดถ้าเกดตัดสินใจเองให้เกดเลือกเองคือถ้าเราจะสื่อทางเดียวในรูปสุขเดชปรมาณนี้ก็ได้ให้เธอจำน้นด้วยเหตุด้วยผลเราก็ปล่อยให้มันมาตแล้วลเจะไปคิดจะทำยังไงว่าเนี่ยตรงนี้เธอต้องเห็นโทษชัดเลยแต่ละข้อแต่ละข้อยกตัวอย่างให้ดูนะพยาบาทโลภะโทสะโมหะเนี่ยยกยกตัวอย่างให้ดู ว่าตรงนี้ถ้าเขาไม่ริษยาน่อย่างนี้จะเกิดเนชะ่นยกตัวอย่างว่าเรื่องรามเกียริเนี่ยท่านนางกายเกษีไม่ริษยาพระรามพระรามจะถูกออกป่าไหเอาแหละเมื่อพระรามออกไปอยู่ป่าแล้วท่านนางสมณขาไม่ริษยานางสินดาถ้าทศกรัรไม่ริษยาพระราม ปัญหาการลักแังสีดาจะเกิดขึ้นมันสงคบลามมบอะไรมีเจออไได้คิดเลยเพราะน้นตรงนี้ต้องเห็นโทษต้องเห็นโทษอย่างที่รับสั่งแสดงว่ารู้ชัดว่า รู้ชัดว่าพวกนี้ทั้งหมดเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนนี้ย่อมละไม่จะเห็นโทษเฉยๆนะฮะแล้วถ้าเเเนี่ยถ้าถามอา บ, บายามุกใ่มีโทษไหมเห็นโทษแล้วก็ละอย่างน้อยก็ลดนะเพราะจริงๆพวกนี้บางบางข้อเนี่ยเป ะ, ะยากมากเอาไว้ลดความรุนแรงอย่าถึงกับกลุ่มรุมใจนะฮะถ้าไม่เกิดขึ้นสิงใจหรือครอบงาใจเนี่ย เรารักษามโม ห, หิสุจริตไว้ในกายวาจาสุจริตเองไม่ต้องไปยุ่งหรอกเพราะพวกนี้เป็นอาการหนุนเนื่องมาไหลเรื่อยมาของกิเลสนะฮะทำมาว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดที่นี้เกิดที่จริงก็คือปัจจัยการอย่างหนึ่งเลือรับสั่งว่าลูกกรพิสูตต่างหลายในการใดแลพิสูตรู้ชัดว่าอาภิชาวิสมารโลภะเป็นต้นนะครบอีก เป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนนี้แล้วก็ละพวกนี้ทั้งหมดครบตั้งสิบข้อนะฮะแล้วในสุดก็มาสรุปว่าอันเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตเสียได้แล้วในการนั้นเธอเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าคําว่าในพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เจาะจงพระองค์นะฮะเพราะที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ชื่อ พ, พุทธเจ้า พุทธเจ้านั้นเป็นเนมิตกานามเป็นพระนามเกิดขึ้นหลังจากศัสรุแล้วเขาเรียกพระองค์ว่าพุทธก็เป็นพุทธเพราะว่าศัสรุทีนี้เจ้าเนี่ยใส่ขึ้นทีหลังคือเราใส่ขึ้นไปเพราะว่าท่านเป็นราชกุมารเราก็ใส่คำว่าเจ้านะอันนี้เพื่อเป็นเป็นภาษาไทยภาษาไทยไม่ใช่ภาษาภาษาบาลีภาษาบาลีเขาเรียกว่าพุทธะะเฉยๆพุทโธเฉยๆ ก็แสดงให้เห็นว่าจิตมันไปเองเพราะว่าเขาเห็นโทษจากการสอนของพระพุทธเจ้าเห็นโทษของการของอุปกิเลสิบหกเนี่ยจากการสอนของพุทธเจ้าแล้วเห็นคุณของการไม่มีอุปกิ เ, เนี่ยจากการสอนของพรุทธเจ้าพระสทธาก็เริ่มใสในพระพุทธเจ้าเพราะหะไเพราะเขารู้สึกเขาได้ อันนี้องเขาได้จากพระเจ้ทาทำให้เขาเลื่อนใส่ในพุทธคุณโดยนัยยะทั้งเก้าข้อเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังลองสังเกตพระสูตรในที ก, กทนิกายมัชชิมานิกายนะพุทธคุณธรรมคุณสังคุณจะเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นบทสรุปเป็นบทสรุปเป็นที่รวมของธรรมะ พระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากศัสรู้ก็คือเป็นนิโรธอ่ะอาการเคลื่อนไหวทั้งหมดพระองค์ก็เป็นอาการของนิโรธแต่ว่ามันอยู่ในวิถีของมรรคการกระทาการพูดทั้งหมดก็สักดิแต่ว่ากิริยาเพราะาอาการเหล่านี้มันเป็นเป็นธรรมะที่เป็นรู ป, ปรธรรม สอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเรานึกดูว่ า, วาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธานุภาพที่แผ่แผ่ไปนะว่าช้างตกมันวิ่งมานี่ต้องโสมต้องหยุดเลยสแสดงว่าเย็นให้สัมผัสได้เจอพลังของพระมหากรุณาขึ้นมาให้หยุดเลย คนอยู่ทุกคนทุกแห่งเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยถูกสัตว์เบียดเบียนเลยเลย40ปีปี51ปีอันนี้คือคือแสดงว่าธรรมะเนี่ยเย็นให้ดูอ่ะเย็นให้สัมผัสดูแสดงว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเคลื่อนไหวของธรรมะเรืองการพยายามปฏิบัติเนี่ยทํายังไงว่าให้อยู่ร่มเงาของพระพุทธคุณ่ะ อย่างน้อยก็เรียกว่าฉายาพระพุทธคุณอิติปิโสภกวาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหังเป็นพระอาหารทำยังไงจะสัมผัสฉายารุ่มเงาตรงนี้อรหังแปลว่าไกลจากกิเลสเราไกลไม่ได้หมดก็ให้ไกลให้ได้หน่อยอย่าถูกกิเลสบังคับผลักใสสึกใสจนสูญเสียความเป็นวงตัวเอง ทำยังไงจึงจะไม่ถึงกับหักกรรมสังสารวัตจักมาหักไม่ได้อ่ะก็ปรับตัวกรรมเนี่ยมันเป็นสุตจริตขับเคลื่อนสังสารวัตจักเรายังหมุนนี่นเลสังสารวัตรเดี๋ยวพระปูมันประนีตขึ้นทําหมดกิเลสไหมไม่หมดหรอกแต่๋วพรปูมันปรนีตขึ้นแล้วทาอะไรให้มันคนไหวได้สนิทใจนะเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชา รู้สึกว่าเป็นคนที่ควรไหว้แล้วก็หน้าไหว้ไหว้แล้วมันเป็นสุขมันอบอุ่นใจที่ได้ไหว้ได้กราบแล้วก็ทํำยังไงเราจะไม่ทําบาปเอาในที่รับไปได้ก่อนเอาเอาในที่แจ้งอะได้ก่อนแล้วประการต่อไปก็ไม่ทําบาปในที่รับเห็นไหมเราก็สัมผัสพระพุทธคุณได้ สัมมาสัพพุโธสัจตุรูดีสัจตุรู้ชอบโดยปรองเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราดําเนินมองทุกอย่างในมิติของอริยสัจอะไรผลอะไรที่เราไม่ต้องการเราไปลดที่เหตุผลอะไรที่ต้องการเราไปสร้างที่เหตุทุกเราไม่ต้องการเราไปลดที่กิเลสเพราะว่าทุกมันเป็นผลนความสุขความสงบความเยือเกเย็นมันเป็นผลเราก็สร้างเหตุก็คืออยู่ในวิถีของอริยมรรค อย่างน้อยที่สุดก็อยู่ระดับศีลสิขานะอย่างอื่นพอสมควรแต่ว่าระดับศีลสิขาเนี่ยให้หนักแน่นมันก็ค่างเป็นปัญหาในระดับศีลสิขาทาั้งๆที่เรามองจริงๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้ามันก็ไม่มีข้ออะไรที่ยากตั้งใจนิดเดียวนะก็ทำได้แล้ว แต่ก็ยังนึกเหมือนกันนะว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยอยู่สภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยเกื้อกูลต่อการทำจิตให้สงบเพราะมีลักษณะครุกครีนะฮะหมกมุ่นครุกครีบางบางทีก็วิ่งเข้าหาปัญหาเองมันก็หมูวิ่งจนบางต่อเองนะใบยมุกอยู่ไกลตัวมากวิ่งเข้าหากันใหญ่ นั้นแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีปัญญาพอต่อการจะคุ้มครองตัวเองพระเจ้าก็มีปัญญาหลับสัตรูเราก็เอาขนาดดปัญญาที่บริหารโดวเองได้บ้องกันสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้ก็จัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้แล้วก็สร้างสรรพัฒนาตัวเองอายุมากขึ้นให้ธรรมะเพิ่มขึ้นด้วยกินเล็ดลดลงด้วย เราลองนึกดูว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วกิเลสเยอะเนี่ยมันน่าเกลียดเนาะเพราะั้นกิเลสมักควรจะลดลงไปลดมากน้อยไม่รู้พยายามก็ได้กันคือถ้าเรามองดูให้ดีว่าวิถีชีวิตเนี่คือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิถีชีวิตอะอย่างอิสลามก็บอกศาสนาเขาเป็นวิถีชีวิตของเราเขาเป็นวิถีชีวิตอิสราลก็เป็นวิถีชีวิตนะ มันไม่ได้เอาอะไรนอกโลกมาสอนเลยอ่ะสอนจะตัวคนแหละเราจะเห็นว่าทุกประศัตรเนี่ยมันก็คือมิติของธรรมชาติทั้งหลายปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นด้วยกฎธรรมชาติเองบ้างเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์บ้างหรือสมะสานกันบ้าง ทีนี้สังคมเนี่ยมันก็คือการเลือดไหลไปของกระแสะกุศลกับอกุศลมีในโลกมีคนดีคนชั่วคนประสบความเสื่อมกับความเจริญประสบความสุข ก, กับความทุกข์คนก็มีคนดีกับคนไม่ดีเกาะกลุ่มได้นะฮะไม่ใช่ว่าเท่ากันไอ้เท่ากันมันก็พูดยากนะครับมันพูดรู ร, รูเลยก็อย่างนึกถึงสมรภาพ เอามาพูดเร่งโกโก้อะสมกภาพเป็นภาษาหลอกลวงเฉยๆเพราะจริงๆมนุษย์ไม่เสมอมาตั้งแต่ต้นไม่มีใครเสมอได้แม้แต่เรามองภาพเดียวกันเนี่ยมันก็คิดไม่เสมอกันอย่างยกตัวอย่างว่าเจอเงินเขาวางทิ้งไว้เนี่ยคนมองไม่เหมือนกันนะ บางคนอาจจะมองด้วยอภิชาวิชมาโลพะเลยเพ่งเด้งโลก อ, อยากได้เลยบางคนมองด้วยความสงสารเจ้าของมองเงินจต่สงสารเจ้าของเจ้าของเงินก็คิดจะบอกคิดจะสืบหาคิดจะบอกกล่าวให้เจ้านาีรับทราบเพื่อให้เจ้าของเขามารับเงินไป เห็นไหมว่าเงินนี่มันเป็นที่ตั้งของโลภะแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาเราก็เป็นที่ตั้งแห่งกรุณาได้เป็นที่ตั้งแห่งเมตตาการุณาได้ในะคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราไปในห้างสรรพสินค้าตีต่างว่าไปในห้างสรรพสินค้าเราไปเห็นของเล่นเด็กเนี่ยคนที่มีวุต ธ, ธิภาวะพอสมควรจะไม่มองสิ่งนั้นด้วยโลภะ แต่ว่ามองไปสู่ไปสู่เยาวชนลูกหลานมันเกิดมองด้วยการุณาในตัวคนนะฮะการุณาในตัวคนคือตัวลูกหลานตัวเด็กตัวสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ซื้อไปฝากไม่ได้ซื้อด้วยความโลภแต่ว่าซื้อด้วยกรุณามันานจริงๆพวกเรานี่จริงๆเราก็สัมผัสได้ สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันคือต้องคิดว่าชีวิตนั้นการเคลื่อนไหวทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเราคิดว่าต้องนั่งภาวนายุบหนอพองหนออะไรจึงเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างนี้แย่เวลาไปนั่งอย่างนั้นมันมีไม่กี่นาทีหรอต้องถือว่ามีสติมีสมัมมาญาะมีความเพียรนี่เป็นหลักใจเลย นะคุ้มครองใจทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะความเพียรอยู่ด้ศรัทธาโดยอยู่ด้ธรรมะเนี่ยเขาได้ข้อหนึ่งก็าตามท้งควรแก่กันนี้แล้วถ้าเราอยู่ด้วยตรงนี้เราจะเห็นว่าฝ่ายที่บริหารเนี่ยมันจะหนักไปในทางบริการบริหารที่บริการเนี่ยคือสังคีตผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารแต่ถ้าบริหารยังเป็นสังการบังคับบัญชาควบคุมคุ ม, คมหู่คุกคาม มีความรุแรงมันมันไม่เกิดความสันเตียผู้บริหารต้องออกมาในรูปของลักษณะบริการเอื้ออํานวยให้เป็นการ ด, ดําเนินชีวิตไปด้วยเมตตากรุณาเมตตากรุณาเป็นธรรมาหลักนะหมายความว่ากับสิ่งมีชีวิตเราต้องมองด้วยฐานของเมตตาไว้คนประสบความทุกข์เราต้องมองด้วยกรุณาไว้คนที่ประสบความเจริญเราต้องมองในมุติตาไว้ คนที่ประสบผลกรรมเราต้องมองด้วยเบกขาไว้ผลกรรมด้านดีที่ยั่งยืนถาวรเราก็อุเบกขานะฮะด้านไม่ดีนอกวิสัยที่ช่วยเราก็มองด้วยเบิกขาเรื่องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณาในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยกลุมกันสวัสดี